ศึกษาเรื่องศีลเนี่ยชื่อว่าศึกษาพุทธคุณด้วยไห ม, มศึกษาเรื่องศีล น, นี้ชื่อว่าศึกษาพุทธคุณด้วยไหมไหมถ้าศึกษาพุทธคุณนี้ชื่อว่าศึกษาพุทธคุณในบทใดนะจารณาสิบห้านะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นมีศีลพระองค์นี้มีศีลสังวรพระองค์นั้นมีอินทรีย์สังวรพระองค์นี้มีโพชนเนมตัญุตา พระ อ, องค์มีชาคติยานุโยคพระ อ, องค์มีศรัทธาพระ อ, องค์มีฮิริโอตัปปะพระ อ, องค์มีวิริยะพระ อ, องค์มีสติพระ อ, องค์มีปัญญาและพระ อ, องค์มีประถมฌานทุตยฌ า, านเป็นต้นไปนนนคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจรณะเป็นความประพฤติเพื่อไปสู่ทิศที่ไม่ตายพระ อ, องค์นั้นเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยจรณะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ เพรความที่พระ อ, องค์นี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะธรรมทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่มีข้อส่วนใดๆให้หน้าตําหนิแม้แต่ส่วนเดียว น, นะส่วนที่หน้าตําหนิเพราะว่าคนทั้งหลายถ้าตําหนิกันนี่ตําหนิเพราะอะไรตําหนิเพราะจรณะไม่บริบูรณ์นะความประพฤติบกพร่องในส่วนกายกรรมส่วนวจีกรรมเนี่ยนะที่ล่วงละเมิดออกมาคนทั้งหลายก็จะตําหนิกันในส่วนนั้นๆนะนะ ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องศีลเท่าไหร่ก็จะเข้าใจพระพุทธคุณมากเท่านั้นด้วยเนี่ยนะก็จะเข้าใจคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นอ น, นิสงค์ของศีลเท่าไหร่ว่ากุศลศีลที่พระองค์ทรงตรัสนี้กุศลศีลเหล่านี้เป็นไปเพื่ออนุปบาทภิรมิภาน่าสุดยอดเลยนะเป็นไปเพื่อดับโดยรอบนี่เราก็จะเห็นธรรมคุณ เห็นธรรมะคุณพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามกุศลศีลเหล่านี้บริบูรณ์พระโสดาบันนี้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศีลพระสะกท า, าคามีก็บริบูรณ์ด้วยศีลพระนาคามีบริบูรณ์ด้วยศีลและสมาธิพระอรหันต์น้สมบูรณ์ทั้งศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยเราก็จะเข้าใจสังฆคุณมากขึ้นเพราะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็คือคู่แห่งบุรศีคู่เรียงตัวบุุษได้ 8บุรุษนั่นเองนั่นนะอันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราก็จะเข้าใจดีขึ้นเมื่อมีความเข้าใจในคุณของพระตนะตรายดีสารณะเราก็มั่นคงน่ น, นะสารณะเราก็จะมั่นคงความเปลี่ยนแปลงที่จะไปเห็นความสำคัญอย่างอื่นก็น้อยลงว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นที่พึ่งเป็นคติเป็นที่ปลายของพวกเราจริงๆพอที่เราจะเอาเป็น สารณะเนี่ยนะถึงกับมอบกายถวายชีวิตติดตามนอบน้อมท่านตลอดเน่ยนะไปที่ไหนก็ณนะโมตสะภควะตวรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะนอบน้อมในความดีของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าในท่าธรรมคําสอนเหล่านี้ซึ่งช่วยให้สาธิทั้งหลายพ้นจากวัฏฏุกแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตามคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะสารณะเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อสารณะมั่นคงดี รู้เถอว่าเขาไม่ไปอบายแน่นอนนะถ้าผู้ใดมีสารณะเนี่ยนะเขาจะได้รับที่พึ่งเขาจากไม่ไปสู่อบายเมื่อจุติจิตไปแล้วเนี่ยนะเขาจากไม่ไปอบายเพราะว่าในบรรดาที่พึ่งทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อใจเป็นไปกับคุณของพระผู้มีพระภาคใจเป็นไปกับคุณของพระธรรมหรือว่าใจมีคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์ ถ้าใจในลักษณะนี้ไปอาบายแล้วก็ไม่รู้จะเอาบุญประเภทไหนแล้วจะช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มั่งเพราะอะไรเพราะว่าทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเนี่ยนะกุศลจิตที่เขามีที่พึ่งจิตเหล่านั้นก็จะปกปักคุ้มครองเขาเนี่ยนะจิตเหล่านั้นถึงความนับว่าเป็นจิตที่มีผลมากมีอนิสง์มากเพราะว่าจิตเหล่านั้นมีสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเป็นอารมณ์ จิตเหล่านั้นนั้นเลยมีคุณค่าสูงเพราะนัการที่เราสามารถเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและก็ศีลคุณเนี่ยนะสีลคุณเป็นเหตุให้เข้าใจพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณแล้วก็เจริญสีลานุสติกรรมฐานต่อไปได้เมื่อเราประพฤติป ฏ, ปฏิบัติกุศลศีลเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่เราก็จะระลึกเป็นสีลานุสติง่ายนะศีลที่เรารักษาเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อย ไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไท ย, อ, ไทยอันตัญหาและที่ถิมไม่จับต้องก็เจริญศีลานุสติต่อไปง่ายเห็นไที่ประทับใจยอย่างคือบอกท่านท่านอาจารย์สมบัติบอกว่าคนที่เกิดวิปฏสสารในเรื่องศีลเนี่ยออยังพอเยียวยาได้ คนเดือดร้อนเพราะพเราไม่น่าเลยนะคราวนี้เราไม่น่าพลังเลยวาจานั้นออกไปต่อไปนี้เราสำรวมระวังใหม่สมาทานใหม่ต่อไปนี้จะไม่ให้ล่วงไม่พูดในคนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างนี้พอเยียวยากันได้ทันว่ากันไหมหมายความว่าอย่างไงครับเพราะว่าฮิเรโอตาปะเขาเกิดขึ้นในขณะนั้นฮิเรโอตาปะเหล่า น, น, นั้นเนี่ยซึ่งเกิดสลับกับวิปติสารฮิเรโอตาปะนั้นมีมีอันนี้สองมากนะพระองค์บอกว่าไอ การที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสังวรสัมรวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอารยวินัยนี้ น, นะและก็เป็นเหตุใกล้แห่งศีลผู้ใดมีสามัญยสัมนึกแบบนั้นบ่อยๆศีลของเขาจะบริบูรณ์บ่อยผู้ใดที่ไม่มีสามัญยสํานึกแบบนั้นเลยศีลของเขารับรองอย่างไรก็ไม่บริบูรณ์เพราะว่าไอจิตซ้ําสํานึกเหล่านี้เนี่ยนะที่ที่ก็ ค, คือฮิริโอตปะฮิริโอตปะเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะทําให้ศีลบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้น ถ้ายิ่งเห็นข้อบกพร่องมากเท่าไรแสดงว่าความบริบูรณ์ของเขามากเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าความเป็นปุถุชนเท่าเดิมนะเอ๊ันดีหมดเลยถ้ายังงี้แสดงว่าเต็มทีแล้วล่ะคงพัฒนายากจริงๆนะแต่ถ้าเห็นข้อที่บกพร่องนะข้อที่น่าตาหนิบ่อยๆในตัวของตัวเองเนี่ยนะแล้วก็ตามโจดตนบ่อยๆพง์บอกว่าให้ตนนั่นแหละโจดตนเตือนตนนะ เพราะว่าถ้าหากว่าเราสามารถโจทย์ตนเตือนตนแล้วก็ฝึกตนได้อย่างนี้แล้วเขาจะสามารถมีที่พึ่งที่ผู้อื่นหาได้ยากจริงๆแต่ว่าใหม่ๆมันก็อย่างว่าเวลาตรึกเรื่องนี้บ่อยๆก็อาจจะวิปฏิสารบ้างเพราะว่าอความที่เราไม่มีสุตตะเพียงพอเนี่ยนะเพราะไม่ได้สดับเพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีวินัยของพระอริยเจ้าข้อบกพร่องก็จะเห็นเยอะเนี่ยนะแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วนี่นี่นับว่าเป็นอัตตะสัมมาปณิที่อย่างสูงและเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญโดยถ่ายเดียวแน่นอนถ้าหิริโอตะปะสังวรแบบนี้บ่อยๆได้เท่าไหร่นั่นแหละคือทรัพย์แล้วละ่ะคนนั้นเป็นคนมีทรัพย์มีทรัพย์คือฮิริโอตะปะด้วยมีทรัพย์คือศีลด้วยแต่คนที่จะรักษาอย่างนี้ได้คนนั้นจะต้องศึกษามาอย่างเพียงพอเขาก็จะมีซัพย์คือ สุดตับต่อไปอีกเนี่ยนะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์คือสุดตะบเขาก็จะกล้าเสียสละตั้งหลายเรื่องนะเพื่อที่จะรักษาคุณธรรมเหล่านี้เอาไว้บางคนก็ถึงกับยอมเสียสละทรัพย์ใช่ไหมบางคนก็เสียสละอวัยวะบางคนก็เสียสละยศเสียสละลาภบางคนก็ถึงกับเสียสละชีวิตอันนี้ก็เป็นจาระค่าของเขาเนี่ยนะะความรอบรู้กรรมสกตาเป็นต้นจะยิ่งมากเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นปัญญาของเขาดังั้นอริยทรัพย์เหล่านี้ก็จะบริบูรณ์มากขึ้น เมื่ออริยทรัพย์บริบูรณ์มากๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนขัดสนนะนะเพราะว่าเขาประพฤติตามพระรรรมตรยเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่คนขัดสนแล้แต่ถ้าหาว่ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่เกิดถึงโลกวัตถุภายนอกเนี่ยนะวินิโพค ร, รูปอาจจะมีมากจริงแต่ว่าอันนี้วินิโพค ร, รูปเหล่านั้นเนี่ยนะที่สมมติกันว่าแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของคนมีบุญเนี่ยนะ ต้นเหตุที่ทําให้เขามีทรัพย์เหล่านั้นก็คือเขามีทรัพย์ในอดีต น, นะอริยทรัพย์เหล่านั้นให้ผลมาเป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นแต่อาศัยแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นหลายท่านทําลายอริยทรัพย์ภายในซึ่งเป็นเหตุแห่งกุศลแห่งวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นเพราะวิบากที่ได้รับส่วนหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นผลของบุญบางคนเนี่ยยอมเสียศีลเสียธรรมเพื่อที่จะรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเอาไว้ แสดงว่าวินิจฉัยไม่แม่นยําหรือกรรมสกตาไม่ไม่ดีพอเห็นไหมวันนี้วันนี้บังเอิญไปเจอเรื่องกรรมสกตาปัญญาครับในขันธวารวักนี้นะที่พูดถึงเรื่องกรรมสกตาปัญญาได้มีข้อความเรื่องยิถังนะคื อ, อการบูชาการเจ้นสวงย่อมมีผลนี่นะก็แต่ก่อนนี้ก็ ก็สงสัยนะครับว่าการเส้นสวงนี่มีผลเพราะว่าพอขึ้นช่อว่าเส้นสวงนี่เราก็มักจะไปนึกภาพว่ายกหัวหมูไปแล้วก็ไปเส้นสวงเทวดาแก้บนเลยทําน้อง น, น, นั่นนะครับเนยทั้งไข่ต้มทั้งไก่ต้มด้วยอะไร่เี้ยอพอมะพอมาอ่านของพุทธธรรมของ ท, ท, ท่านพระธรรมปิฎกท่านอธิบายไว้หน้าฟัง ท่านบอกว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยนะครับคนในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเขานิยมบวงสวงเทวดานะมีการมีการบูชายันะวันะวนี้ก็าประวัติคำคำนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในทีขันธิกายครับอยู่ในทีขันิกายกุธันตสูตรนะใครไปอ่านดูนะก็จะเข้าใจเรื่องคำว่าบวงสวงนี้หมายความว่าอย่างไงนะคือสรุปแล้วก็ บวงสวงในความหมายของพระผู้มีพระภาคนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นทานอันยิ่งใหญ่ครับเป็นทานมีอยู่ห้าข้อนะหมายถึงนิจจทานนะครับหมายถึงสมาทานศีลหมายถึงการทํากุศลทั้งหลายจนกระทั่งไปถึงสมถะ นะนี่เป็นการบวงสวงที่ประหยัดที่สุดไม่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรไม่ต้องเบียดเบียนใครๆทั้งสิ้นแล้วก็มีอานิสงส์จากการบวงสวงนั้นเนี่ยสูงแล้วก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในสมัยนั้นพระองค์ก็บอกว่าก็อุทิศการให้ทานอย่างนั้นเนี่ยแกเทวดาด้วยนะฮะแล้วเมื่อท่านไปไหนเนี่ยนะครับ เมื่อท่านทําทานกับพระภิกษุผู้มีศีลแล้วก็ให้อุดที่ส่วนกุศลนั้นให้กับเทวดาที่คุ้มครองท่านด้วยเท่านั้นเองนะฮ ะ, ะฟังอย่างนี้แล้วเราเข้าใจเลยนะคำว่าการบูชาย่อมมีผลการบวงสร้อย่อมมีผลนะเพราะฉะนั้นในกรร ม, มสกตาปัญญาเนี่นะครับก็มีหลายข้อทีเดียวและสองข้อเนี่ยอยู่ในความเชื่อของเราอะ่ะการบวงสร้อย่อมมีผลเป็น กรรมสักตาสัมมาธิทิเบื้องต้นเลย1นประการนับตั้งแต่ว่าการให้ทานมีผลการรักษาศีลมีผลการบูชาบวงสรวงมีผลการต้อนรับการเชื้อเชิญมีผลพ่อแม่มีบุญคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีข้อสุดท้ายานะพูดสรุปสรุปถ้าศึกษาในเรื่องของอินทรีสังวรศีลทาให้นึกถึงข้อความในอปันนกาสูตรซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องศีล ทำให้เห็นความสําคัญของศีลขึ้นว่าอปันนกะนี้แปลว่าข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนะอปันนกะแน่นะไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนข้อความในอังคุตรนิกายติกานิบาตอปันนกะสูตรกล่าวว่าดูการพิสูจทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติอปันนกะปฏิปทาและเหตุแห่งความสิ้นอาสวะทั้งหลาย เชื่อว่าเป็นอันภิสูจนนั้นได้เริ่มแล้วเห็นไถ้าหากว่าปฏิบัติด้วยธรรมะสามอย่างนี่แหละเชื่อว่าปฏิบัติไม่ผิดและก็เป็นการปฏิบัติเพื่อความสินาานส้นไปแห่งอาสวะเป็นเหตุสิ้นไปแห่งอาสวะธรรมะสามประการคืออะไรบ้างคือพิสูจนในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายข้อหนึ่งนะอินทรีย์สังวร ข้สองบอกเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะสเป็นผู้มั่นประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่นอนก็คือชาคริยานุโยก3ามคำนะหอินทรียสังวรสองโภชเนะมะตันยุตาสชาคริยานุโยคธรรมะสมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติไม่ผิดและชื่อว่าเป็นคนที่ปรารบหรือปฏิบัติ ธรรมะเพื่อความสิ้นปลายแห่งอาสะวะทั้งสี่ประการนะการมาสะวะภาวาสะวะทิฐาสะวะและอวิชชาสะวะแต่คําว่าอาสะวะนี่มีความหมายกว้างขวางแล้วพระองค์ก็ตรัสโดยพิสดารว่าก็ภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองในอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วฟังเสียงด้วยหูแล้ว ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วถูกต้องโาพธาภะด้วยกายแล้วรู้ธรรมมารมด้วยใจแล้วเป็นผู้ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะอภิชาและโทมนัตธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอากุศลจะพึงไหลไปตามพิสูภผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เนะเพราะว่าผู้ใดไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจบาปประธรรมคืออภิชาและโทมนัตก็จะ ครอบงามกลุ่มรุมใช่ไหมส่วนผู้ที่รักษาเนี่ยนะเพราะเหตุที่เขาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะเหตุแห่งความไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใดคือโลภะโทสะโมหะเป็นต้นก็ติดตามไปก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นเสียซึ่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นนะปิดกั้น ไม่ให้บาปไหลเข้าไปในทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจปฏิบัตเพื่อปิดกั้นเสียเนี่ยนะแล้วก็รักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงความสํารวมในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้และพิกูุทั้งหลายพิกษุเป็นผู้มีทาวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายสรุปก็คือว่าปิดไม่ให้บาปเนี่ยไหลเข้าไปในทาวารทั้งหกได้เนี่ยนะแล้วก็ ปฏิบัติทำยังไงอะ่ะจะปิดกั้นเอาไว้ได้แต่ว่าอินทรีสังวรศีนี่นะสำเร็จด้วยสติเพราะว่าคนที่จะสังวรในทวารทั้งหได้คนนั้นต้องตั้งสติไว้ก่อนนะถ้าไม่ตั้งสติไว้ก่อนนี้อย่างไรเสียก็สังวรไม่ได้เ น, นะเว้นไว้แต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยก่อความสะเทือนใจให้อย่างมากอุปนิสัยที่สะสมด้านธรรมะ ม, มามากแล้วก็สังเวชใจเลย อ, นนอย่างเช่นภาษาบุตรเนี่ยนะไปเห็นคนไปเห็นนักแสดงแสดงละครแสดงดนตรีอยู่เนี่ยนะ <c oughs> ปกติทุกๆครั้งเนี่ยที่ไปดูการแสดงเนี่ยนะจะต้องตบรางวัลหัวเราะล่าเริง <c oughs> เขาทําให้หัวเราะก็หัวเราะเขาทาให้เศ ร, ร้าก็เศร้าช่วงนี้ได้เวลาตบรางวันก็จะตบรางวัลไปวันนั้นเนี่ยนะอุะอ ป, ปนิสัยเดิมมาทําให้อินทรีย์สังวรเกิดขึ้นในขณะเห็นนั่นแหละท่านคิดยังไงบอกว่าเออ ทั้งนักร้องนักรำนักเต้นเหล่านี้เนี่ยอายุไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วเราเองก็อายุไม่ถึงร้อยปีเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วจะมามีประโยชน์อะไรในการนั่งดูอย่างนี้อยู่วันนั้นเล็กน้อยทั้งคู่พระโมคคัลลานะเนี่ยนะโกลิตากับอุปติสะนั่งคิดกันอย่างนี้ทั้งคู่นะอ็นรียสังวรเนี่ยเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ดูดนตรีไม่สนุกกลับจากนั้นเนี่ยบวชเลยนันะบวชเลย อนนั้นอินทรียสังวรเกิดขึ้นนะแต่ก็มีน้อยคนนักที่จะสังเวชสลดใจในขณะที่เห็นบรรยากาศทั้งหลายในลักษณะนั้นทําให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นได้อันนี้เรียกว่าคนมีบุญเก่ามาแต่ถ้าหากว่าโดยธรรมดาทั่วไปจะต้องตั้งสติเอาไว้ก่อนคําว่าตั้งสติเอาไว้ก่อนนั้นก็คืออย่างไรสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมะคู่กันเนี่ยนะเช่นไปเห็นเนี่ยไปเห็นทําอะไรเห็นทําไมเนี่ยนะถ้าตอบอันนี้ได้ศาสการสัมปชัญญะก็เกิด นะแล้วเกื้อกูลต่อกุศลจิตไหมส ป, ปายะสัมปชัญญะก็จะไดนะ้แล้วอารมณนน์นั้นๆที่เราเห็นเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมต่อไปไหมอันนั้นก็เป็นโคจระเนี่ยนะทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาก็เป็นอาศัมโมหะสัมปชัญญะังนั้นการตั้งสเตตไว้ตั้งกับแรกเลยตั้งกับไปเห็นเลยว่าเห็นทําไมที่สุดแห่งการเห็นนั่นนะคืออะไรวินิจฉัย ใ, ในเรื่องการเห็นไว้อย่างตลอดสายแล้วค่อยไปนะไม่ใช่ไปถึงแล้วจะสังวรเลยเนาะ น่าดูเหมือนกันแสดงว่าใครที่ไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจไม่เลยนะไปถึงจะสังวรอย่างเดียวเลยเนี่ยคนที่ทําได้เนี่นะของเอามายังอัศาจรรย์ใจว่าจะไปถามนะจะไปสมัครเป็นลูกศิษย์หน่อยว่าทำได้ยังไงนะเนีเรื่องสังวรนี่นะครับเรื่องสังวรนี่ยังยังยั ง, ยงสนใจคําว่าไม่เพ่งเล็งในนิมิตในอนุพยัญชนะเนี่ยนะเนานก็สงสัยว่าถ้าเพ่ง ในนิมิตในอนุพจนชนะในอารมณ์นั้นแล้วจะต้องเกิดอากุศลจิตเสมอไปหรืออย่างไงครับถ้าแห่งโดยนิมิตคําว่านิมิตนี้ก็คืออิถีนิมิตปุริสานิมิตแล้วก็โดยสุภาณิมิตเพราะถ้าสายใจโดยสุภาณิมิตเมื่อไรโลภะแน่นอนถ้าสายใจโดยปฏิฆานิมิตโทสะแน่นอนถ้าสายใจโดยอุเบคานิมิตโมหะแน่นอน วันในอารมณ์นั้นถ้าใสาใจแบบนี้โลภะโทสะโมหะเกิดอย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันกถ้าใส่ใจโดยความจริงของอารมณ์นั้นเนี่ยนะถือเอาตามเป็นจริงของอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยอภิชาและโทมานะจะไม่เกิดอายกตัวอย่างว่าถือตามเป็นจริงของอารมณ์นั้นะถืออย่างไรท่านก็ยกพระมหาติสมาใช่ไหมอะไรที่มีจริงอยู่ในอารมณ์นั้นก็ใส่ใจความจริงของอารมณ์นั้นจริงของอารมณ์นั้นคืออะไร สีที่เราเห็นก็คืออุปาทายรูปใส่ใจโดยอุปาทายรูปว่าอุปาทายรูปนี้มีมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีภูตรูปเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมมองเห็นอุปาทายรูปก็จะย่างถึงมหาภูตรูปถ้าคนที่ฟังธรรมะมาดีเนี่ยนะจะเห็นว่าภูตรูปเหมือนกับอะไรอสสารพิษใช่ไหมรูปายตนะหรือสีนั้นเหมือนอะไรเหมือนโจรปล้นอ่ะ นะนะอย่างน้อยที่สุดฮิริอุตา ป, ปาก็จะเกิดขึ้นแล้วนไะนะแล้วต่อไปอีกเนี่ยนะว่ามหาภูตรูปเหล่านั้นมีสมุทฐานเท่าไหร่ก็จะเพ่งต่อไปอีกนะในอารมณ์นั้นๆต่อไปเห็นไหมว่าเพ่งโดยภูตรูปและอุปาทายรูปพร้อมทั้งสมุทฐานนี่ในยะหนึ่งอันนี้เรียกว่าถือโดยความเป็นจริงเหมือนกันอย่างนี้จะไม่เรียกว่าถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะแต่ถือเอาตามความจริงของอารมณ์นั้นไปเลย ถ้ารู้ถ้ารู้ความจริงเนี่ยนะโลภะจะไม่เกิดโทสะจะไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดความจริงที่ว่านี่คือว่าไม่วิปลาสถูกไหมครับคือจริงๆเขาเนี่ยเขาไม่งามใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าไปไปเห็นผิดก็งามหรือว่าไม่เที่ยนก็ไปไปเพ่งในนิมิตว่ามันเที่ยงถูกไหมครับเจริญพรคือนว้านนถ้าเอาเอาระดับชั้นสูงแล้วต้องเป็นอย่างนั้นถ้าชั้นสูงเลยเนี่ย ถ้าชั้นสูงเลยก็คือเพ่งไปเจรินานุปัสสนาเลยเห็นนั้นก็เพ่งไปที่อนุปัสสนาเลยก็ละอย่างที่ว่าได้ละวิปลาธรรมได้แต่ว่าในการพิ่เจรนาเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มก่อนกลุ่มหนึ่งก็คือเจริญอาการสาสิบสองอะไรที่เป็นจริงในอาการสามสิบสองก็เพ่งไปที่อาการสาสิสองนั่นแหละอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีอยู่จริงนะถ้าเช่นเห็นผมอย่างเนี้ โดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยโอกาสโดยประชดเนี่ยนะก็แล้วก็ต่อด้วยสมุทฐานภูตรูปและอุปาทายรูปต่อไปก็ใครครัวในลักษณะนี้มากๆพร้อมทั้งสมุทฐานแล้วก็ปัจจัยเนี่ยนะนะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกเป็นอารมณปัจจัยของของอะไรจักขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอารมณปัจจัยของจักขูวิญญาณ สัมปติชณจิตสันติรณจิตซึ่งจิตเหล่านี้เป็นชาติวิบากที่เราจะเห็นภาพเหล่านี้เนี่ยนะสีเหล่านี้ที่เราได้เห็นสีดีหรือไม่ที่เราต้องมาเห็นเนี่ยนะเพราะวิบากตั้งแต่จากขวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะนี่เป็นชาติวิบากแต่สีอ น, นั้นเกิดจากสมุทฐานเรื่องราวของสีต่างหากเลยนะไม่เกี่ยวกับวิญญาณของเราเทียงแต่ว่าวิญญาณเนี่ยได้สีเป็นอารามณปาจาัจจัย จักรูวิญญาณไม่ได้เป็นปัจจัยแก่สีแต่สีเป็นอารัมมณปัจจัยของจักรูวิญญาณหลังจากนั้นต่อไปถ้าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะโลภะโทสะโมหะเกิดกรร ม, มสักกตาก็เข้ามาแล้วว่าโลภะเป็นต้นมีโทษหรือไม่มีโทษ เ, นะเอาหลักกรรมมาจับเลยถ้าเพ่งไปที่เจตนากรรมถ้าเพ่งไปที่โลภะโลภะมีโทษอย่างไรบ้างถ้าโทสะเกิดโทสะมีโทษอย่างไร ถ้าโมหะเกิดเนี่ยนะโมหะมีโทษอย่างไรใช้คําว่าอันตรายได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ น, นะะฆ่าศึกภายในได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้หรือว่าความมืดได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้ น, นะนึกถึงพระธรรมคําสอนสูตรใดสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงโทษภัยของบาปประธรรมทั้งหลายเหล่านี้ น, นะแต่ถ้าหากว่าเห็นและโลภะเกิดเนี่ยนะทุกเกิดแล้วนะปุณนะอย่างเงี้ยนะได้คำนี้ไปคําเดียวนี้ก็อ ช่วยได้ไปเยอะแล้วเบาบางไปเยอะเหมือนกันนะนะถ้าความเพลิดเพลินเกิดทุกเกิดนะปุณนะเนี่ยนะถ้ายินดีในสีปั๊บก็เท่ากับยินดีในจกักขุเนี่ยนะเป็นเหตุแห่งมีการมีจกักขุ